พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าและอีกในหนึ่งนะที่ว่าการนอบน้อมพระตนไตรเป็นต้นเนี่ยมีอนิสงส์อย่างไรมีอนิสงส์อย่างไรนั้นข้อความในสารัตถีปณีดีกาดีกาพระวินัยเป็นดีกาที่ขยายสมันตะปาสาธิกาอีกครั้งหนึ่ง ท่านรวบรวมเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องอนิสงค์ของการนอบน้อมพระัตนตรัยไว้เบื้องต้นประมาณแปดในด้วยกันประมาณแปดความหมายแปดนัยยะด้วยกันก็คือมีความหมายว่าการนอบน้อมพระัตนตรัยเนี่นะเพื่อจะอยังการสังวร น, นาตามที่ได้ปฏิญญาแล้วให้สําเร็จโดยปราศจากอันตรายเป็นประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่รจนาพระคัมภีรเป็นต้นเนี่ยนะเขานอบน้อมพระัตนตรัยเป็นเบื้องต้น เพื่อให้ในขณะที่ทํากิจการงานนั้นๆไม่มีอันตรายอย่างของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเวลามาถึงก็เอาสวสวดมนต์พร้อมกันนะอะรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาผุทังปะคะวันตังอภิวาเทมิส่วนทั่วไปก็เออหัวหน้าพาว่าก็ว่าไปตามกันได้บุญไหมเออได้แต่ว่าบุญประเภทนี้เป็นญาณวิปยุทธซะส่วนใหญ่ก็เลยขาดความรู้ขาดความเข้าใจเออยานวิปยุทธกับยาณสัมปยุทธอันไหนมีอา น, นิสงส์มากกว่า ไห น, นมีกว่าโอ้เก่งมากเลยสาสตร์แจาวแสดงว่าถ้ายางสัมพยุทธ์นี้จะได้รับผลมากอันนี้สูงมากเพราะฉะนั้นที่เราสวดมนต์กันก่อนเพื่อที่จะทำกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ว่ากิจกรรมนี้จะได้ไม่มีอันตรายเราต้องการไหมเวลาเรามานั่งฟังทำศึกษาพระธรรมคำสอนเสร็จแล้วก็มีรบกวนมากมายเนี่ยนะ ทำให้จิตใจวิตกต้องบนเดือดร้อนทุกข์เพราะเรื่องนั้นทุกข์เพราะเรื่องนี้แล้วก็คนในหมู่กันเองทะเลาะเบาแวงกันเราต้องการแบบนั้นไหมไม่ต้องการใช่ไหมเมื่อไม่ต้องการในชั้นต้นกุศลที่จะช่วยเราได้ไม่ให้มีอันตรายเหล่านี้ก็คือการนอบน้อมพระรัตนตรยัยยกตัวอย่างเช่นขณะที่เรากำลังจะฟังธรรมหรือกาลังจะแสดงธรรม มีหลายแห่งเหมือนกันที่ขอรารพมาเนี่ยไปที่ไหนแล้วก็พูดธรรมะโดยที่ไม่นอบน้อมพระรัตนตรยัยพอพูดไประยะหนึ่งปั๊บเนี่ยเริ่มสายและวจิตใจฟุ้งซ่านเรามองเห็นเลยรู้เลยแล้วก็เทียบเคียงดูว่าถ้าเรานอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนนะด้วยใจที่เคารพแล้วกล่าวพระสัพธรรมไปกลับไม่เคารพเนี่ยโอคนละ ง, งานเลยคนละ ง, งานเพราะฉะนั้นการนอบน้อมพระรัตนตรยัยด้วยใจที่เคารพอย่างยิ่ง นะในกิจกรรมนั้นนั้นเราไม่ประมาทก่อนเราไม่ประมาทเพราะเรามีพระธรรมตรายนําไปในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องทําเพื่ออนุวัตตามพระธรรมตรายนะไม่ใช่เอาตามใจเราอย่างน้อยที่สุดกําจัดอันตรายคือกิเลสในใจของเราและในยะที่สองเนี่ยนะด้วยเดชแห่งบุญนี้คนอื่นเขาก็ไม่ไม่เบียเดเบียนเราด้วยถ้าเรามีใจตักมั่นขนาดทั่วไปเนี่ยนะคะ่ะเขาเรียนเวทมนต์คาถาใช่ไหม เวทมนต์คาถาเขายัางป้องกันได้นะแบบระดับศิลศาสตร์เขายัางป้องกันได้ของเราน้อมน้อมพระธัตนตรยัยทําไมจะคุ้มครองเราไม่ได้มั น, นก็คุ้มครองเราได้นี้อันดับแรกก่อนเพราะฉะนั้นส่วนทั่วไปเนี่ยนะในพระคัมภี์ท่านจึงบอกว่าข้าพเจ้านมัสการพระธัตไตรยัยอันควรบูชาอย่างแท้จริงด้วยประการดังกล่าวนี้ได้แล้วซึ่งห่วงแห่งบุญอันไทยบูได ใช่ไหมในขณะที่นอบน้อมพระัตนตรายในขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่บุญเล็กน้อยนะเป็นห่วงแห่งมหากุศลเลยนะเป็นเหมือนห่วงน้ําใหญ่เลยกุศลจิตที่เกิดขึ้นถามว่าเอ๊ะก็กุศลจิตเกิดหน่อยนึงดูมันจะไปใหญ่ได้ยังไงไม่ใหญ่ได้ยังไงเพราะสิ่งที่เรานอบน้อมคือพระัตนตรายพระัตนตรายนั้นเป็นผู้มีพระคุณมากมายมหาศาลเพราะกุศลจิตของเราเลยได้บุญเยอะได้บุญเยอะเพราะเราไม่ได้นอบน้อมบุคคลที่เลวทรามเลย เรานนบน้อมบุคคลที่มีพระคุณอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพแห่งพ่วงบุญอันภัยบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายอันขจัดแล้วตัดสานุภาเวเณหตันตรายโยวังนั้นอิจเจวะนมจันตะนมัสเนยังนมัสมาโนเป็นต้นนะจึงใครเคยสวดกันหลายท่านในนี้เคยสวดกันแน่นอน นี่ข้อแรกก่อนนะการเจริญกุศลการนอบน้อมพระรัตนตรัยก็เพื่อที่จะขจัดอันตรายนั้นนั้นอันตรายมีสองอย่างเนาะอันตรายภายในและภายนอกอันตรายภายในก็คือบาปอกุศลที่จะกำเริบเกิดขึ้นในจิตใจของเราในะโรคภัยบางอย่างที่เบียดเบียนเราข้อสองก็คืออันตรายจากภายนอกจากการรบกวนของบุคคลอื่นอันตรายเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดจากอกุศ ล, ลกรรมบางอย่าง ที่ตามมาเบียดเบียนเราแต่การนอบน้อมพระัตนาตรัยของเรานี่นะสามารถที่จะกําจัดอกุศลกรรมบางอย่างที่จะมาให้ผลในขณะนั้นนั้นได้อันนี้นี่ความหมายประการที่หนึ่งอีกความหมายประการหนึ่งก็คือการนอบน้อมพระัตนตรัยเนี่ยนะเพราะความปราดเปรื่องแห่งปัญญาเพื่อให้สติปัญญาเนี่ยปราดเปรื่อง คือให้มันตื่นตัวขึ้นนะของพวกเราเนี่ยอาจจะมีถีนะมิธะมีบาปอากุศนทําให้เสื่องซึมท่อแท้ใช่ไหมพอนอบน้อมพระตัตนตรยัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นจากบาปตื่นจากอากุศลทั้งหมดพอโนอบน้อมปับ๊บเนี่ยจิตเนี่ยดีขึ้นมาเลยนะเป็นจิตที่มีคุณภาพมากเป็นจิตที่มีกําลังแรงเนี่ยนะท่านี้ก็เหมือนกับได้วอมก่อนนะทำให้ร่างกายเนี่ยกระฉับกระเฉงความคิดของเราถ้านอบน้อมพระตัตนตรัยแล้วเนี่ย จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยกระฉับกระเฉงตื่นตัวขึ้นเหมือนกันเนี่ยเพราะความปราดเปรื่องแห่งปัญญาด้วยการบูชาพระตนะไตรและความปราดเปรื่องแห่งปัญญาด้วยการบูชาพระตนะไตรนั้นก็เพราะปราศจากมนทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพอนอบน้อมพระตนะไตรใจของเราก็ไม่เป็นไปกับบาปไม่เป็นไปกับอกุศลชาวนาเล่นและไม่มีถีนามิทะมาเสื่องเสมมาท่อแทมมาขัดจังหวะอะไร นั้นการนอบน้อมพระรัตนตรายด้วยความรู้ความเข้าใจก่อนก็จะทําให้เกิดการตื่นตัวขึ้นเติรนตัวขึ้นอนะนี่โบราณท่านก็ฉลาดนะท่านพาเราทําอะไรก็ไม่ได้งงง่ายนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจความหมายท่านหรือเปล่าเท่านั้นแหละสําหรับเรื่องนี้ถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจคำว่าประโยคะก็คงจะเข้าใจเลยเข้าใจลึกซึ้งเลยเรื่องประโยคนะเนี่ยแสดงว่าพระองค์ให้เราเนี่ย มีประโยคะและประโยค่าคือการนอบน้อมเนี่ยเป็นประโยชค่าอย่างเยี่ยมเลยอย่าลืมว่าเราอยู่ด้วยกรรมนะการที่เรานอบน้อมแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้รับอันตรายอะไรสมมติอย่างนี้นะแล้วเราปัดจากอันตรายพ้นจากอันตรายบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดกับเราเนี่ยอันตรายอันนั้นเนี่ยอันที่จริงก็คือเราทําเอาไว้นั่นแหละเป็นกรรมที่เราทําไว้เนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราได้มีการนอมน้อมนี่นะฮะ กุศลจิตอันนั้นเป็นประโยชน์ค่าอย่างหนึ่งทําให้ปิดประตูนั้นชั่วคราวปิดประตูกรรมชั่วไม่ให้ผลชั่วคร้าวอันนี้ก็เห็นชัดๆเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ผมถามอีกนิดหนึ่งคือว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าเราจะทํากิจการงานอะไราบางอย่างเนี่ยน ะ, ะแล้วเราก็นอบน้อมนะสมมุติผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพสมมุตินผมเดินทางเข้ากรุงเทพบ่อยๆขับรถไปเองเนี่ย ก็ถ้าผมจะนอบน้อมโดยที่ก่อนออกจากบ้านผมสวดมนินี่นอบน้อมแต่พระผู้มิภาคเจ้าเนี่นะถามว่าเป็นประโยคะได้ไหมเป็นประโยค่าอย่างดีด้วยไหยเป็นประโยค่าอย่างดีเพราะแสดงว่าการนอบน้อมพระตัตนตรัยก่อนนั้นธรรมดาที่สุดเลยก็คือหนึ่งศาสกะสัมปัญญะนี่ดีเยี่ยมแหละแสดงว่าเราทําอะไรโดยที่มีพระตัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ที่สุดเนี่ยนะ การเป็นไปของเรานั้นก็เป็นไปด้วยประโยคนะที่ดีมากเนี่ยนะเป็นศาสรกะสัมปชัญญะด้วยในขณะเดียวกันแล้วในขณะเดียวกันนั้นผู้ที่นอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะอามนุษย์นี้จะทำลายไม่ได้แล้วก็กุศลจิตที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นก็ทำให้ไม่ประสบกับอันตรายคือถ้า อันตรายในยน้อยเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นอันตรายเั้นนั้นก็ไม่มีเลยปัดไปได้สองถ้าอันตรายมันมากจริงๆก็จะเหลือให้มันลดเบาบางสมมุติว่าร้อยหนึ่งก็ห้าปีก็ยังดีใช่มถ้าตรงนี้ท่านต้องทําความเข้าใจให้ดีนะมิฉะนั้นแล้วท่านจะกลายเป็นว่าเราไปนับถืออะไรที่เป็นจริงศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของประโยชน์ค่ะเรื่องของกรรม นะฮะการจะให้ผลต้องมีสี่อย่างใช่ไหมครับต้องมีการละต้องมีคติต้องมีอุปทิต้องมีประโยคะตัวประโยคะนี่จะแสดงให้เห็นชัดเลยถ้าเราได้นอ้อมน้อมก่อนแล้วก็บรรดาพวกภัยต่างๆนี้ก็จะป้องกันได้แล้วถามว่าทําอย่างนี้เนี่ยนะถ้าทําด้วยความงมงายของงมงายแตาทำด้วยความเข้าใจก็เข้าใจสิ่งเดียวกันนั้นแล้วแต่ใครทํา นั่งฟังอย่างนี้ฟังด้วยควา ม, มงมงายก็ได้นั่งฟังอย่างนี้ฟังด้วยมหากุศล ญ, ญาณสัมประยุทธ์ก็ได้เพราะฉะนั้นณที่นี้ประสงค์เอาญาณสัมประยุทธ์อย่างเดียว <c oughs> ผู้ที่ยาณวิประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าหมอจ่ายยาแล้วกินผิดขนาดเนี่ยหมอช่วยไม่ได้แล้วนะเ <c oughs> ขาบอกงั้นพระผู้มีประภาคเนี่ยบางแห่งก็บอกว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมสมบูรณ์แบบแล้วคนไปคิดเป็นบาปเป็นอากุศลพระองค์ก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าสูตรของเรามีอยู่ว่านะใครก็รักษาใจเอากันแล้วกัน บนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะทําไงใจให้เป็นกุศลได้คนนั้นฉลาดที่สุดแหละใครไปหาคิดจนได้บาปนี่ก็แสดงว่าไม่เต็มทีแล้วหาเรื่องคิดจนบาปได้เลยเนี่ยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนาะสมมุติว่าเราน้อมน้อมนะถ้าเราสวดมนเนะี่ยสมมุณก่อนออกเดินทางนี่นะฮะถ้าเรามาคิดในแง่เหตุผลนะขณะนั้นจิตเป็นมหากุศลเมื่อจิตเป็นมหากุศลนั่นนะฮะ จิตเป็นมหากุสเนี่แสดงว่าประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนะฮะเมื่อประกอบด้วยสติและสัมปชัญญนะนั้นเรื่องความฟุ้งซ่านก็น้อยลงใช่ฮะจิตก็จะสงบมากขึ้นเมื่อจิตสงบนั้นเก็จะเห็นอะไรแต่อะไรในเรื่องประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อาจจะระมัดระวังมีความเยือกเย็นมากขึ้นผมเข้าใจอย่างนั้นนะฮะมีความเยือกเย็นมากขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์จะขับรถเร็วจะขับรถชา้า หรือว่าจะต้องมีการระวังป้องกันมีการให้อภัยในการกดจราจรอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมมองไปในแง่นั้นนะครับไม่ทราบว่าจะปิดหรือถูกไปซ้ำบางท่านจะบอกว่าเออส่วนและวศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์แหละแต่ว่าต้องเข้าใจคํำว่าศักดิ์สิทธิ์ของใครเนี่ยนะไปตีความอีกครั้งหนึ่งว่าศักดิ์สิทธิ์นี่แปลว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งถามว่าพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์จริงจแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับคนละแขนงะนะคนละศาสตร์ไม่ใช่สยางพ ถ้าหากว่าการนอบน้อมพระตนตรัยเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยปราดเปรื่องด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาและก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตก็ไม่รบกวนเนี่ยนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูก่อนมหานามะในสมัยใดพระอริยาสาวกตามระลึกถึงพระตถาคตในสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มลมย่อมไม่ถูกโทสะกลุ้มลมไม่ถูกโมหะกลุ้มลม ในสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมตรงทีเดียวหนังนี้เป็นต้นจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตตุชุกตากายุชุกตาจิตตาละหุตากายะละหูตาจิตตามุทุตากายะมุทุตาจิตตากัมมัญญตากายากัมมัญญตาก็จะกลายเป็นจิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่คล่องจิตที่ซื่อจิตที่ตรงจริงๆเลยนะในขณะนั้นมหากรุสเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการนอบน้อมพระัตนตรตยมีพระัตนะไตรเป็นอารมณ์ จิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่เบาเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่คล่องไปหากุศลเหล่านี้ทําได้ที่ไหนง่ายๆขนาดนั้นนะมีผลมากนะถ้าว่าไปการนอบน้อมพระรัตนาตรายกับการให้ทานสองบุญเนี่ยไหนมีผลมากกว่ากันการให้ทานมีข้าวเป็นอารมณ์การนอบน้อมพระรัตนาตรายมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไหนมีผลมากกว่ากันพระพุทธเจ้าที่องค์เป็นผู้ที่เลิศประเสริฐสูงสุดในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าก็ตาม พระพทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณที่สูงที่สุดงั้นการนอบน้อมพระรัตนตรัยไม่ดีแล้วอะไรจะดีในโลกนี้มันแสดงว่าวิจารณญาณของคนคนนั้นก็แสดงว่าเต็มทีแล้วเอ๊ในโลกนี้อะไรดีที่สุด <c oughs> ก็ถามว่าโลกนี้อะไรคือสาระหาไปหาไม้อะไรคือสาระกันแน่หรือดอกไม้สวยเป็นสาระชมสวนดอกไม้โอ้ดอกไม้งามๆนี่แหละคือสาระดอกกุหลาบนี่แหละเป็นสาระเออว่าไปแสดงว่าก็สุดแค่แใครแล้วกันนี้ เพราะฉะนั้นปัญญาที่มีมนทินอันล้างแล้วด้วยการบูชาพระตนะตรายจึงสําเร็จเป็นความปราดเปรื่องคนที่ฉลาดที่สุดก็คือขณะที่จิตเป็นไปกับกุศลขณะนั้นฉลาดที่สุดแล้วถ้าจิตเป็นไปกับกุศลอย่า ง, งโง่ก็แสดงว่าเต็มทีแล้วล่ะอีกนัยยะหนึ่งนะว่าการนอบน้อมพระตนะตรายเนี่ยนะเพื่อความปราดเปรื่องแห่งปัญญาก็เพราะความที่การบูชาพระตนะตรายนั้นเป็นเหตุแห่งสมาธิ การบูชาพระตนะไตรเป็นเหตุแห่งสมาธิใช่ั้มเป็นวิธีการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเป็นปทัิหานแห่งปัญญาข้อนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความที่การบูชาพระตนะไตรเป็นเหตุแห่งสมาธิไว้ว่าดูก่อนมหานามะพระอริยส า, าวกผู้มีจิตตรงอย่างนี้ย่อมได้อัธรต ได้อัทธรสย่อมได้ธรรมรสอัทธรสก็คือทุกขสัจกับมิโ ร, รธสัจธรรมรสได้แก่สมุทยัยสัจกับมขรขสัจหรือเนื้อความแห่งพระบาลีเนี่ยนะความเข้าใจในคําสอนเป็นอัทธรสพยัญชนะในคําสอนเป็นธรรมรสย่อมได้ความปรามโมทเมื่อเกิดอัทธรสธรรมรสอย่างนี้ก็จะได้ปรามโมทอันประกอบด้วยธรรม ได้ความอิ่มใจที่ประกอบด้วยธรรมผู้ปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติปราโมทก็คือปีติอย่างอ่อนพอปีติอย่างอ่อนก็เป็นปัจจัยให้เกิดปีติอย่างรุนแรงผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบระงับปสถาธิก็เกิดใช่ไหมมีกายสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขคําว่ากายสงบระงับก็คือทั้งนามกายและรูปกายก็สงบระงับ เมื่อกายสงบระ ง, งับก็เสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิการน้อมน้อมพระธรรมตรายนี้เป็นวิธีการฝึกสมาธิเป็นอย่างดีอย่างหนึ่งและความที่มีสมาธิเป็นปัจัฐานแห่งปัญญาและสมาธิยังเป็นเหตุใกล้ให้ได้ปัญญาอีกนะเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วเหมือนกันว่าผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง เขาบอกว่าคนที่ใจสงบเนี่ยสามารถมองอะไรได้อย่างชัดเจนที่สุดเทียบกับคนฟุ้งซ่านนะคนสงบนี่มองอะไรได้ชัดเจนเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงข่มเสียได้ซึ่งความลำบากอันถึงความเป็นใหญ่จักสังวร น, นาเนื้อความให้สาเร็จโดยไม่มีอันตรายด้วยปัญญาอันตราเติืม อ, อย่างนี้ก็คือสังวร น, น, นาให้สาเร็จเนี่ยนะการทากิจใดๆก็ให้สาเร็จด้วยการนอกน้อมพระตนตรายเป็นเบื้องต้น ความหมายในยะที่สามก็คือให้สติปัญญาปราดเปรื่องและก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยและก็เป็นเหตุให้ได้รับสติปัญญาอีกประการหนึ่งเพึงทราบการสังมรนานาให้สำเร็จโดยไม่มีอันตรายเพราะการบูชาพระตุนะตรัยทาให้เจริญอายุวัรณนะสุขภะเป็นเหตุให้ได้อายุวรนนะสุขภะ ยิ่งอยู่อายุวรนนะสุขะพละย่อมเจริญด้วยการนอบน้อมพระรัตนไตรข้อนี้สมด้วยพุทธวจนะประพันธ์พุทธภาสิต ท, ที่ตรัสไปว่าอภิวาทนสีเิสเนจังมุ ธ, ธาปาจายโนจัตตโรธรรมาวัทันติอายุวันโอสุขังพลังเนี่ยนะธรรมสีประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญอยู่เป็นนิจ ธรรมะสี่อย่างย่อมเจริญแน่นอนถ้ามีการนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมถ้าเรานอบน้อมพระัตนตรยัยพระัตนตรัยจะสอนให้เราเสื่อมไหมพระัตนตรัยก็ไม่ชักชวนในทางเสื่อมอยู่แล้วใช่ไหมดงนั้นความเจริญโดยประการต่างๆก็จะมีแก่เราถ้าหากว่าชีวิตนี้ถ้าเราไม่เชื่อพ ร, รอะัตนตรัยหรือว่ามีบุคคลที่ดีกว่าพระัตนตรัยอีกที่เราควรเชื่อถือที่สุดเมื่อพระัตนตรัยเป็นบุคคลที่ควรเชื่อถือที่สุดเรายังเคลือบแคลง โอ้ก็แสดงสารณะราอนี้ก้อนงอนแนเต็มที่แล้วนะเป็นไม้หลักตักที่แกลบระมือนกันใช่ไนี่ใ น, น, นยะที่สี่อีกนันยยะหนึ่งก็คือการเคารพพระตรไตรเนี่ยนะนำมาซึ่งความไม่เสื่อมแห่งปฏิพันธ์ใครอยากหัวดีอยากฉลาดเนี่ยนะปฏิพานธ์ก็คือความคล่องแคล่วแห่งสติปัญญาความป่าเปลืองเนี่ยนะจึงอยู่ความเคารพในพระตรไตรัยนำมาซึ่งความไม่เสื่อมปฏิพันธ์ก็ดี และก็เป็นทางแห่งความไม่เสื่อมด้วยการนอบน้อมพระตนตรายนั้นเป็นอัปริหานิยธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอัปริหานิยธรรมคือธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการเจ็ดประการนี้คือหนึ่งสัตถุครวตาความเป็นผู้เคารพในภาษาสดาสองธรรมครวตาความเป็นผู้เคารพในพระธรรมสามสังฆะคราวตาความเคารพในพระสงสี่ สิกาขาคารวตาความเป็นผู้เคารพในสิกขาห้าสมาธิคารวตาความเป็นผู้เคารพในสมาธิกาลยานมิตรตาความเป็นผู้มีกาลยานมิตรแล้วก็โสวจัสตาความเป็นผู้ว่างง่ายเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อมนะการนอบน้อมพระรัตนตรายเนี่ยนะถ้านอบน้อมพระรัตนตรายเสื่อมนี่ก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยทำกรรมมาหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะเบอกว่า ถ้าบวชแล้วเนี่ยนะคนยังมาทําร้ายอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ต้องพูดถึงเพศอื่นแล้วเหมือนกันเพราะว่าวเอาธงชัยของพาระอรหันต์มาห่มแล้วก็ยังโดนเลยแสดงว่าอยู่ในเพศอื่นก็หนักหนาสาหัสแล้วละ่ะความหมายในย่าที่ห้าก็คือเหตุแห่งความไม่เสื่อมเลยนะการเคารพพระัตนตรัยเนี่ยนะถ้ามีใจหนักกับพระัตนตรัยจริงๆประเด็นที่หกบอกว่าเพราะการบูชาในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเป็นบุญอันล้ําเลิศ ในบรรดาบุญที่เลิศเลิศการนอบน้อมพร ะ, ะรัตนตรัยนี่ยนับเป็นบุญอย่างเยี่ยมอย่างสูงด้วยนะข้อนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความที่การบูชาในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสนั้นเป็นบุญอันล้ําเลิศไปว่าใครใคไม่สามารถจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลผู้ควรบูชาซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสาวกทั้งหลาย ผู้ก้าวล่วงซึ่งธรรมะอันเป็นเครื่องเลื่อนช้าข้ามโสกปริเทวะแล้วบูชาผู้บูชาท่านเหล่านั้นเช่นนั้นซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้คือไม่สามารถที่จะนับบุญได้เลยนะว่าการนอบน้อมพระตาณาตายเนี่ยมีบุญเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่ไม่มีใครที่จะสามารถนับบุญนั้นๆได้นี่เป็นพุทธพจน์นะซึ่งพองษ์ได้ตรัสไว้ในคาถาธรรมบท เรื่องเจดีย์ของภากัตริกล่าวถึงการนอบน้อมพระัตนตรยัยแล้วในใกล้ๆกันแถวนั้นกล่าวถึงว่าการนอบน้อมพระัตนตรัยนี่นะถ้าทําด้วยความรู้ความเข้าใจพระัตนตรยัยหรือพระผู้มีพระภาคดับขันปริญิพานไปแล้วก็ตามหรือยังทรงพระชนอยู่ก็ตามบุญไม่ได้พร่องกว่ากันเลยแต่ต้องศรัทธาเท่ากันนะสติปัญญามหากุศลอะไรต้องเท่ากันนะจึงจะได้ผลไม่พร่องกว่าเลยแต่ถ้าหากว่า ความเข้าใจน้อยกว่าสมัยนั้นก็ร้องเอาผลเท่ากับสมัยนั้นนี่แหมมก็เกินไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นบุญอันล้าเลิศเป็นอุบายทําให้สังวร น, นาสําเร็จบุญที่ล้าเลิศเนี่ยนะที่ดูนะมหากุศลที่เกิดขึ้นโดยที่มีพระัตนตรายเป็นอารมณ์เนี่ยนะมหากุศลนั้นเป็นกุศลที่ไม่ธรรมดานะจะว่าไปก็เป็นสมาธินะถ้าเทียบโดยทานศีลภาวนาเนี่ยนะทานนอบน้อมพระัตนตรายเป็นบุญประเภทภาวนาใหม่ เลืออีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าบุญอันล้ําเลิศเป็นอุบายทําให้สําเร็จได้เหมือนกันแล้วพรงษ์ตรัสไว้ว่านี่เป็นขุมทรัพย์อันให้สมบัติที่พึงไข่ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาซึ่งสิ่งใดๆสิ่งนั้นนั้นทั้งหมดย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์นี้เออนะถ้าเจริญกุศลแล้วนอบน้อมพระทานาตรายตั้งความปรารถนาใดๆก็ย่อมสําเร็จเพราะเป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่ง เป็นขุมทรัพย์เป็นบุญญาณิธิเป็นบุญญาณิธิใ น, ญญานนะการนอบน้อมพระรัตนตรยัยเนี่ยฝังซับลงในใจของเราถ้าฝังที่อื่นเนี่ยนะไม่แน่ใจก็ฝังไว้ในใจของเราเนี่ยมั่นคงที่สุดล่ะและอย่างหนึ่งก็ความสําเร็จแห่งกิจที่จะพึงกระทําย่อมมีได้แก่ผู้ปฏิบัติอยู่ในอุบายที่ชอบเท่านั้นกิจที่จะสําเร็จได้เนี่ยนะการงานใดๆที่จะทําแล้วประสบความสําเร็จ การงานนั้นนีนน่ที่คนทำต้องทำด้วยอุบายที่ชอบอุบายที่ชอบก็คือทำด้วยวิธีที่ถูกต้องอะไรก็ตามถ้าจะทำแล้วประสบความสำเร็จต้องรู้จักวิธีวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นแหละซึ่งจะนำมาซส่งความสำเร็จท่นานอธิบายว่าจริงอยู่การบูชาพระตนะไตรเป็นบุญอันล้าเลิศซึ่งมีบ่อเกิดนับไม่ถ้วน ด้วยความเจริญพร้อมแห่งนิรัสไสบุญยเขตคือเนื้อนาบุญอันไม่มีเขตอื่นล้ำเลิศกว่าเพราะฉะนั้นจึงสามารถเพื่อก า, การกั้นอันตรายและทำลายสังกิเลทั้งสิ้นและย่อมห้ามอุปัวะมีภัยเป็นต้นห้ามอุบาทต่างๆนะ่นะห้ามอุปัวะภัยความน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวเป็นต้นได้ในโลกสันนิวาตซึ่งแม้มีอันตรายล้ายประกาศโลกสันนิวาตโลกเรานี่นะ อันตรายมากจริงๆเลยนะอันตรายเนี่ยนะราชโตวาอันตรายที่เกิดจากผู้ปกครองวงันราชโตวาโจรโตวาที่เกิดจากโจรทั้งหลายที่เกิดจากมนุษย์ที่เกิดจากอมนุษย์ที่เกิดจากไฟที่เกิดจากน้าที่เกิดจากพวกสิงสารสัตว์ต่างๆที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงอาหารฝนไม่ตกต้องตามดูดูการแผ่นดินไหวเนี่ยนะเหตุการณ์รายในโลกเนี่ยมีมากมายมหาศาลจริงๆนะ ชีวิตของเราเบาบางแต่อยู่ท่ามกลางอันตรายนา น, นับปการมันการนอบน้อมพระธนตนตรัยก็พอที่จะช่วยคุ้มครองเราได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะถ้าเราศึกษาเรื่องพระพุทธคุณให้เข้าใจเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับพระธรรมคําสอนได้ตั้งหลายสูตรเลยนะเมื่อกี้เนี่ยยกพระสูตรจากที่ต่างๆมารับรองว่าการนอบน้อมพระธนตนตรัยนั้นเป็นการนอบน้อมเป็นการกระทําตามแนวพระไตรปิฎกทั้งหมดเลย ไม่ผิดแนวด้วยนะมีพระสูตรมีที่มามีที่ไปรองรับนั้นผู้ที่ทาด้วยความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถรักษากุศลเจตนาไว้ได้สามารถที่จะกล่าวถึงหรือกล่าวนอบน้อมพระตนะรตรด้วยจิตใจที่เป็นมหากุศลได้กล <c oughs> ่าวนอบน้อมพระตนะรตรใจก็เป็นปีติเป็นโสมนัสปราบเริ่มเป็นอย่างดีเมือ่อฟังอย่างนี้แล้วก็ทำให้ขยันสวดมนต์มากขึ้น เพราะว่าเรารู้เหตุผลและรู้ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นการสวดมนต์บ่อยๆเป็นประโยชน์มากนะฮะผมเป็นคนหนึ่งทึ่สวดมนต์ไม่มากนะเมื่อได้ฟังท่านบรรยายแล้วก็คงจะสวดมนต์มากขึ้นนะครับแล้วก็รู้เหตุผลด้วยนะฮะก็จะเป็นยาณสัมพยุตเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับก็ฟังทำนะครับไม่ทราบว่าท่านมีความเป็นยังไงบ้างผู้การ ถ้านอาจามีโอกาสพักม้างนะผมคุยกับท่านในสมัยที่เราประสบอันตรายนะครับเช่นจากชีวิตที่เคยผ่านสงครามที่เราคิดถึงเบื้องต้นก็คือบุญคุณของบิดามารดาและก็ที่เราได้กระทำต่อท่านได้ให้ความคุ้มครองแก่เราด้วยแต่พระัตตนาใจมีพระคุณสูงกว่า น, นั้นหาประมาณไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรา กรานบนอบน้อมแล้วภัยอันตรายต่างๆย่อมไม่มาเคลิมกลายทั้งให้เกิดสติปัญญาอันนี้ไม่สงสัยเลยครับผมครับก <Sir> ็ทางโลกอ่ะเรานอบน้อมต่ อ, อผู้ที่มีอานาจผู้ที่มีฐานะมีอะไรนี่นะฮะการนอบน้อม น, น, นั้นเนี่ยยังมีผลเลยจะป่วยกล่าวไปย้ยกับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลย ถ้าเราไม่นอบน้อมแม้แต่ผู้คนธรรมดาเนี่ยนะฮะก็มีผลร้ายต่อเรานะเพราะฉะนั้นเราคงจะขยันสวดมนต์มากขึ้นนะฮะนอบน้อมมากขึ้นแล้วก็นอบน้อมด้วยด้วยลึกซึ้งมากกว่าก่อนแต่ก่อนนี้เราอาจจะนอบน้อมเพียงวาจาเพียงผ่านไปหรือว่าตามอะไรอ่ะตามพิธีหรือว่าตามประเพณีอะไรนี่ยนะฮะต่อไปนี้เราจะนอบน้อมด้วยความรู้สึกมากขึ้น การนอบน้อมเนี่ยเป็นชื่อของจิตใช่ไหมจิตนั้นก็ต้องมีอารมณปัจจัยธรรมชาติของจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์อารมณ์ของพระตนะตรายนั้นก็คือการตามระลึกนึกถึงพระคุณในบทต่างๆในประเด็นต่างๆเช่นคำว่าพระตถาคตหนึ่งนะคำว่าตถาคตก็เป็นคำที่อมถึงพระพุทธคุณไว้มากมายมหาศาล เราเกล่าวนอบน้อมด้วยความเข้าใจก็เป็นมหากุสลอย่างสูงหรือคาว่าอารหังอรหันเนี่ยนะคำหมายของคำว่าอารหันก็เป็นถ้อยคำที่อมพระพุทธคุณไว้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจและกล่าวนอบน้อมผู้ที่ที่มีความเป็นพระอารหันนั้นนะ่ะก็มีความเจริญอย่างมากหรือนอบน้อมถึงคำ ว, ว่าสัมมาสัมพุโทโธหรือว่าวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมสา ร, สรถิศัทธาเทวมนุษาหนังพุทธโธและก็ภคภาวะภคภาวก็คือพระผู้มีพระภาคแปลว่าผู้มีโชคผู้มีส่วนผู้มีพระคธมรมซึ่งในเอกสารนั้นก็คัดความหมายโดยย่อถ้าเรามีบุญกันอีกเราก็จะได้ศึกษาแบบกว้างขวางไปซึ่งไปเรื่อยๆอยนะแต่บุญอยู่แล้วนะเนาะกลังทาบุญอยู่ไม่มีได้ยังไง แต่ในความหมายที่เรากําลังศึกษาอยู่นี่เนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยศึกษาในพุทธคุณบทว่าเน้นใหญ่ๆ่อยู่สองบทคือบทว่าพักวากับบทว่าตถาคตที่เรากําลังฟังฟังกันอยู่นี่เนี่ยเน้เนคําว่าพักวากับคําว่าตถาคต<อ>ดโดยเฉพาะคําว่าตถาคตความหมายที่หนึ่งตถาอคาโตเนี่ยนะผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นตถาคตเนี่ยหนึ่งผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยเสด็จมาอย่างไรรบโทอีกครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเสด็จมาอย่างไร